การอยู่กับคนบางคนคือการชดใช้กรรมเก่าและเป็นโอกาสทองสร้างกรรมใหม่ด้วยการใช้เป็นแบบฝึกในการอภัยและเจริญสติรู้ทุกข์รู้ความอึดอัดถามกับคนที่รู้สึกเคมีไม่เข้ากันโดยไม่มีเหตุมีผลจะถอนความเกลียดอย่างไรดีจะโยงไปถึงอดีตกรรม หรืออะไรที่ลึกลับก็ตามเมื่อรู้สึกถึงอารมณ์ที่ปราศจากเหตุผลรองรับเราก็ต้องอาศัยเหตุผลที่จับต้องได้มาแก้กันเช่นถามตัวเองว่าเห็นใครแล้วโยงไปถึงอารมณ์ไหนที่เคยเกิดกับใครได้บ้างหรือได้ยินเสียงแล้วเกิดทุกขเวทนาแบบรำคาญหรืออุดอัดเป็นต้นพอวิเคราะห์ไปเรื่อยเหตุผลจะเข้ามามากขึ้น ความเข้าใจจะเกิดเพิ่มขึ้นกระทั่งในที่สุดอารมณ์อันเป็นทุกข์หายไปได้เองถามถ้าเราอยากขจัดอารมณ์เกลียดชังจะต้องทำอย่างไรข้อที่หนึ่งเห็นโทษของความเกลียดชังว่าทำให้ใจเป็นทุกข์เหมือนอยู่ในถ้ำ ม, มืด เห็นเข้ามาที่สภาพทางใจจริงๆทุกครั้งที่รู้สึกเกลียดขึ้นหน้าข้อที่สองเห็นคุณของการคลายความเกลียดที่เหมือนออกจากถ้ำสู่ที่โล่งสว่างเห็นเข้ามาที่สภาพทางใจจริงๆทุกครั้งที่รู้สึกว่าความเกลียดอ่อนกำลังลงข้อที่สาม จำอาการไม่เกลียดไว้ระลึกถึงภาวะนั้นทุกครั้งที่ใบหน้าอันเป็นที่ตั้งของความเกลียดแวบเข้ามาในใจเราถามตอนนี้จิตมีแต่โท่สะพยายามแผ่เมตตาให้เขาแต่รู้สึกได้ว่ายังไม่มีเมตตาจริงๆควรทำอย่างไร ถ้ายังไม่มีความสุขอยู่บ้างอย่าพยายามฝืนแผ่เมตตาให้เริ่มจากการทำความเข้าใจเหตุผลของเขาจนเข้าใจเมื่อเข้าใจก็อภัยได้อภัยได้ก็สุขหมายเหตุผู้อ่านยกตัวอย่างเรื่องใหญ่ในปัจจุบันอย่างเช่นเรื่องการเมือง อยากฝากข้อคิดด้วยว่าขอให้มองว่าคนที่อยู่กักบเรานนั้นโดยเฉพาะที่เป็นประชาชนหรือเป็นมวลชนนั้นให้มองให้ลึกนะครับว่าทุกคนไม่ว่าสีไหนฝ่ายไหนก็ล้วนมีจิตหวังดีกับประเทศชาติทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเขาเลือกเชื่อข้อมูลของฝ่ายเขาและคิดว่าคนที่เขาเชียน้นเป็นคนดีและทาดีและจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติถ้ามองเห็นเจตนาจริงในจิตของแต่ละคนได้ เราก็จะโกรธเขาน้อยลงและมองอย่างเป็นกลางมากขึ้นอย่างน้อยถ้าจะถกเถียงกันก็ถกเถียงด้วยเหตุผลไม่เอาอารมณ์นำหน้าและปล่อยวางกับคนที่เห็นต่างหรือเห็นคนละด้านกับเราได้ในเรื่องอื่นในชีวิตประจำวันก็เช่นเดียวกันนะครับบางครั้งถ้าเราเห็นจิตของเขาจริงว่าเขากำลังหลงผิดและเชื่อผิดๆหรือแม้แต่เขาไม่สามารถเข้าใจเหตุผลที่สงก่านั้นได้จนไปถึงว่า เขาถูกเลี้ยงดูมาแบบนั้นเขาเข้าใจได้แค่นั้นการพิจารณาให้เข้าใจเหตุผลหลายด้านก็จะช่วยให้ลดโทสะละอภัยได้จริงนะครับถามเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นการคิดหาเหตุผลมาทำให้รู้สึกหายแค้นช่วยได้แค่ชั่วคราวเดี๋ยวก็รู้สึกอภยัยอยากให้สิ่งดีๆกับเขาเดี๋ยวก็กลับแค้นขึ้นมาใหม่อีก ที่เห็นคนคนนั้นมีความสุขอยากให้เขาทุกข์ต้องทำอย่างไรการคิดทำให้ได้คิดทำให้จิตคลายออกด้วยเหตุผลแต่ความคิดเป็นระลอกคลื่นที่เข้มข้นแล้วเจือจางได้ไม่ว่าจะคิดดีหรือคิดไม่ดีอารมณ์จึงขึ้นขึ้นลงๆตามความคิดได้ง่ายเมื่อไรคิดได้ก็เย็นลงเมื่อไรคิดไม่ได้ ก็ร้อนขึ้นพระพุทธเจ้าจึงสันเสริญการแผ่เมตตาค่าความโกรธเกลียดเพิ่มเติมเข้าไปกับการคิดพิจารณาแบบโยนิโสมนาสิการเนื่องจากการแผ่เมตตาทำให้จิตอิ่มสุขและเมื่อแผ่เป็นอาจินย่อมสุขจริงยั่งยืนสุขมากพอที่จะไม่อยากไปถือโทษโกรธเคืองใครนาน ถามพี่เคยแนะนำให้สังเกตว่าเมื่อไม่พอใจแล้วจะมีอาการเล่นตามปิจัดการพยายามดูแต่ก็รู้สึกว่าเห็นยากอยู่ควรจะทำอย่างไรต่อไปดีที่รู้สึกว่ายากแปลว่าเรายังใส่ความฝืนใจเข้าไปครับคีย์เวิร์ดคือสังเกตและได้แค่ไหนเอาแค่นั้นถ้าไม่คาดหวังอะไร จะค่อยๆเห็นเร็วขึ้นเรื่อยๆไปเองดูได้จากที่ไม่ฝืนแล้วไม่รู้สึกยากแล้วอาจเป็นเดือนหรือเป็นปีขึ้นอยู่กับปัจจัยคือใจเย็นแค่ไหนถ้าใจร้อนอยากได้ผลเร็วก็อาจเสียเวลาเป็นสิบปีได้ถามอดีตสามีเคยทำผิดกับเราต่อมาเขาสมนึกผิดมาขอโทษ ก็บอกว่าให้อภัยทุกอย่างยังพูดจากันด้วยดีแต่ดิฉันบอกว่าไม่ขอลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้นะับเป็นการให้อภัยอโหสิกรรมหรือเปล่าประสบการณ์ที่เจ็บปวดใครบอกว่าลืมก็โกหกแล้วครับคีย์เวิร์ดของกรณีนี้คือยังพูดจากันด้วยดีถ้าทําดีต่อกันแล้วไม่รือฟื้น ไม่ขุดคุยมาทำให้คิดไม่ดีต่อกันก็จัดเป็นการอภัยเต็มรูปแบบครับถามถ้าเราไม่โกรธคนที่ทำไม่ดีกับเราแต่เรากลับรู้สึกเฉยๆถึงขั้นกลายเป็นเย็นชาอย่างนี้น่ากลัวไหมอารมณ์น่ากลัวมีอยู่ชนิดเดียวคือโกรธแล้วอยากเบียดเบียนกัน หรือพระทุศร้ายตอบความเย็นชาก็มีข้อดีครับคือหยุดเราไว้หลังเส้นเริ่มต้นทำร้ายทำลายกันและเมื่อมีสติรู้จักความเย็นชาเห็นว่าพอมันพอกๆหนาๆเดี๋ยวก็เบาๆบางๆลงไปในที่สุดก็แปรเป็นอุเบกขาดีๆได้เองถาม ทำอย่างไรจึงลดการใช้อารมณ์ลงได้เรื่อยๆมีทางเดียวคือเจริญสติอยู่เรื่อยๆครับและอาจต้องใช้เวลากันครึ่งชีวิตหรือทั้งชีวิตถามรู้สึกตัวว่าเจออะไรไม่ได้ดังใจก็งุดหงิดอยากเลิกนิสัยแบบนี้ อย่าไปจัดการกับอาการหงุดหงิดมองให้เห็นว่าความรู้สึกไม่พอใจมันอยู่ตรงไหนถ้าเห็นความอึดอัดคับข้องว่าเป็นแค่แรงดันมากน้อยก็จบถามพวกความขัดใจเล็กๆมีสติปุ๊บดับหายปับ๊บแต่โทระัแรงๆเห็นก็เห็น แต่ยังแผดเผาใจรุนแรงอยู่สำร้ายบางครั้งยังสะบดออกไปรู้สึกอุบาตตัวเองนี่คือยังรู้สึกตัวไม่จริงใช่ไหมอย่าเพิ่งไปวัดผลออครับว่าจริงไม่จริงมีสติคุณภาพดีหรือไม่ดีเอาแค่เรากำลังทำจริงแบบสะสมต่อเนื่องไปเรื่อยนับว่าหน้าพอใจแล้วเพราะเมื่อโทสะเล็กเล็กหายรากฐานโทสะใหญ่ ก็สั่นคลอนด้วยเหมือนกันไม่ใช่โทสะใหญ่ๆแผดเผาแปลว่าไม่มีอะไรดีขึ้นเลยที่ต่อสู้มานั้นถูกทางชนะแล้วครับเพียงแต่จำนวนเก้ายังไม่มากพอเท่านั้นเก้าต่อไปนะครับถามต้องอยู่ร่วมกับคนโกหกไร้ความรับผิด ช, ชอบโดยไม่สนว่าเราต้องลำบากเพราะเขามากมาย เราจะทำยังไงให้เขาคิดได้การแก้ปัญหาข้างนอกกับคนบางคนนั้นยากครับการไม่อยู่ร่วมกับคนบางคนบางทีก็เป็นไปไม่ได้ระลึกไว้แล้วกันว่าวันหนึ่งเราจะผ่านอะไรแบบนี้ไปในที่สุดอย่างน้อยระหว่างนี้ก็จะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์ทางใจเพิ่มนะครับ